การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จตามความปรารถนาได้นั้นเราจาเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนเราอยากรวยเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องตั้งเป้าหมายสู่ความร่ำรวยเราอยากเป็นหมออยากเป็น พยาบาลอยากจะเป็นนายกหรืออยากจะเป็นอะไรอันนี้คือเป้าหมายถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็จะไม่รู้จะทำอะไรเพอเหมือนกับการที่จะมาที่นี่เราก็ต้องรู้ก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ออกเดินทาง มาสู่ที่นี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนใจแล้วเราเดินทางมาโดยที่ไม่ไม่ย่อท้อขับรถมายางแต่ก็ไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนยางมาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจ เดี๋ยวเราก็มาถึงที่หมายปลายทางที่เราต้องการไปสิ่งแรกที่เราต้องมีคือเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราจะไปไหนเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นอะไรการตั้งเป้าหมายนี้ก็คือทางภาษาพระก็คืออธิษฐานอธิษฐานนี้มีสองความหมาย ความหมายที่เราเข้าใจกันก็คือขอเรามักจาอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้แค็งแกร่ปลอดภัยขอให้ได้ให้ได้นั่นให้ได้นี่อันนี้เป็นความหมายที่เราเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นความหมายของทางธรรมะทางธรรมะนี่ ท่า น, นไม่ได้ให้ขอเพราะการขอมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้การขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุสิ่งที่แยเป็นเหตุก็คือการกระทำอยากได้อะไรเราก็ต้องทำมันขึ้นมาอยากกินข้าวก็ต้องหุงข้าว แม่ก็นั้นก็เราไปซื้อข้าวออออาต้องตั้งเป้าหมายที่เหตุเหตุก็คือการกระทาถ้าเราอยากจะมาที่นี่เราก็ต้องเดินทางมา เ, ออเราก็ต้องตั้งใจออสิ่งแรกก็คือเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเราอยากได้อะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะได้เราจะต้องทำอะไร ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไม่อธิษฐานว่า อ, อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปที่นั่นอยากไปที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีใช่ไหมเช่นวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าตั้งเป้าว่าจะมาที่นี่ตื่นขึ้นมาก็อาจจะถามตัวเองว่าวันนี้จะทำอะไรดีเพราะไม่ไดมีเป้าหมาย ถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจะทำอะไรแต่ถ้ามีเป้าหมายเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอันนั้นงนั้นการที่เราต้องการอะไรนี่ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายเราต้องการอะไรต้องการความร่ำรวยต้องการ เป็นใหญ่เป็นโตอต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เป็นเรียกว่าเป้าหมายสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเราของการกระทาของเราว่าเราจะทำอะไรเพื่อเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ เราก็ต้องตั้งเป้าไปสู่การปฏิบัติธรรมาการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมจะเป็นเหตุให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์สิ่งแรกที่เราต้องมีคืออธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติธรรม เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องตั้งเป้าหมายที่การปฏิบัติถ้าเราอยากจะร่ํารวยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่การหาเงินจะขยันหาเงินจะขยันเก็บเงินจะขี้เกียจใช้เงินอยา่าไปขยันใช้เงินแล้วขี้เกียจหาเงิน อ่าขยันใช้เงินขี้เกียจหาเงินก็ไม่มีวันรวยต้องขยันหาเงินแล้วก็ขี้เกียจใช้เงินมีเงินก็เก็บไว้เก็บไว้หรือเอามาขยายากิจการาเห็นมไหมธนาคารนี่เมื่อก่อนเขาเริ่มต้นแค่สาขาเดียวแล้วเขาก็ขยายกิจการไปเรื่อยๆพอเขามี งินไปเปิดสาขาเขาก็ไปเปิดอีกสาขาหนึ่งพอมีพอเปิดอีกสาขาก็มีเงินเพิ่มอีกก็ไปเปิดอีกสาขาหนึ่งนี่คือการหาเงินเขาไม่ใช้เงินแบบไม่เกิดประโยชน์ใช้เงินเพื่อเอามาลงทุนขยายกิจการ เ, าเงินที่เขาหามาเขาก็ใช้กับสิ่งที่จะเป็น เช่นค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยแต่เขาจะเอาไม่ไปไม่ไปใช้ของอสุรุ่ยสุร่ายของฟุ่มเฟือยของหรูหร า, าถ้าเอาเงินที่หามาได้ไปใช้เดี๋ยวก็หมดแล้วก็อาจจะไม่พอใช้เังน้นเวลาจากเจ้รวยนี้ต้องขยันเก็บเงินขยันหาเงิน แล้วต้องอประหยัดไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินโดยไม่จำเป็นได้มาเท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้เือพอเก็บได้ก้อนใหญ่ก็ไปขยายกิจการหรือไปลงทุนอย่างอื่นอพอมีเงินเป็นก้อนก็ไปซื้อที่เก็บเอาไว้ซื้อตึกเก็บเอาไว้แล้วซื้อตึกให้เขาเช่า อันนี้มันก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รวยอ่าอ่าอนข้อที่หนึ่งเราต้องมีก็คือความตั้งใจที่จะทาสิ่งที่เราที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการนี่เขาเรียกว่าอธิษฐานเช่นเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องอธิษฐานว่า จะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าบอกการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนบทสังฆคุณเนี่ย คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติโดยด้วยความถูกต้องเดี๋ยวก็จะเกิดผลขึ้นมาเป็นบุคคลสี่คู่อัตถะบุคลาเอสภาภะกวาโตสาวกสร้างโคจะเกิดเป็นบุคคล8คู่ขึ้นมา ก็คือ8ดบุคคลโสดาปฏิมักโสวะโสดาปฏิผลสกิดาคามีมักสกิดาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตต์มักอรหัตตผลนี่คือผลที่เราต้องการเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบประบติอย่างถูกต้องปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวนี่คือเราต้องตั้งเป้าอยู่ที่การกระทำํำอธิษฐานจิตว่าต่อไปนี้เราจะขอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะขอเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโ น, ปป น, โนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ไปค้นหาความหมายของสประการที่ว่ามีความหมายอย่างไรปฏิบัติ ด, ดีสุปฏิปนโนดีก็ดีก็คือทำให้ครบทุกอย่างแล้วก็ทำให้ได้สมบูรณ์เหมือนถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เรียนให้ได้สจุดครบทุกวิชาได้ที่หนึ่งทุกวิชาได้ร0 0เอร์ซทุกวิชา ใช่ไหมเขาถึงจะเรียกว่าดีใช่เวลาทำข้อสอบเสร็จครูก็จะเขียนว่าดีมากอย่างเงี้ยแสดงว่าเราทำถูกทุกข้อปฏิบัติดีเขาต้องอย่างนั้นไม่ใช่ปฏิบัติผิดผิดถูกถูกทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอย่างนี้ไม่ถือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีต้องทำได้ทุกข้อ ทำฐานก็ทําได้เต็มร้อยรักษาศีลก็รักษาได้เต็มร้อยนั่งสมาธิก็นั่งได้เต็มร้อยปัญญาก็ได้เต็มร้อยเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโ น, ป, ป, ฏ ป, น, โนปฏิบัติตรงคือปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่วอกแวกไม่เปลี่ยนคําสอนของพุทธเจ้า พระุทเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ยกเว้นไม่เพิ่มเติมคำสอนพระุทธเจ้านี้สมบูรณ์แล้วเรียกว่าสวากขาโตภะวตาธมโมเป็นธรรมที่ชอบถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดไม่เกินฉะนั้นขอให้ปฏิบัติตรงต่อคำสอนอย่าไปดัดแปลง พวกปฏิบัติบางคนชอบดัดแปลงอสมาธิไม่เอาไม่ต้องนั่งอนั่งแล้วมันนั่งไม่ได้เอาปัญญาอย่างเดียวก็ได้ออย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงท่านบอกให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิให้ได้จิตเป็นอัปปนาก็ต้องอัปปนาออย่างนี้ถึงแล้วปฏิบัติตรงทุกข้อทานก็ให้ถ้าอยากจะ ให้เต็มร้อยก็ออกบวชมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปถ้าบวชไม่ได้ก็เก็บเงินไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบางทีบวชไม่ได้เป็นผู้หญิงก็จะต้องมีเงินเก็บเอาไว้สำหรับจ่ายค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็นยกเว้นถ้าได้ไปอยู่ที่วัดที่ไม่ต้องใช้เงิน เงินก็ไม่จำมีความจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็ทําบุญทําทานไปจะได้ไม่มากังวลกับเรื่องเงินทองมีเงินทองก็เดี๋ยวจะถูกกิเลสมันดึงให้ไปทางกิเลสได้ถ้าไม่มีเงินทองกิเลสมันก็ดึงไปไม่ได้กิเลสมันจะดึงให้เราออกไปชอปปิง้งออกไปนู่นมานี่อไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อ แต่มันฉลาดมันไม่บอกให้ไปเที่ยวมันหลอกแล้วว่าเดี๋ยวไปทอดป้าป่าที่วัดน้นเดี๋ยวไปสร้างโบสถ์ที่วัดนี้แทนที่จะให้อยู่ในวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็จะหลอกเราเดี๋ยวไปทำบุญพ้าป่าเดี๋ยวไปทอดกระถิ่นเดี๋ยวไปสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำสร้างเมนทํามีงานเดี๋ยวก็มันก็จะถูกกิเลสหลอกไป แต่ที่จะให้เราไปฝึกสตินั่งสมาธิมันก็ไม่ให้เราทำํำถึงแม้จะเป็นบุญแต่มันมันไม่ใช่เป็นบุญระดับของเราร็จแล้วถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติแล้วเนี่เรื่องการทำบุญนี่เราต้องถือว่าเราเรียนจบแล้วการทำบุญนี่เพื่อส่งให้เรามาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเรายออย่างไป อยากไปทําบุญที่นั่นที่นี่อยู่ก็ถูกกิเลสมันหลอกกิเลสมันไม่ชอบไม่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิกิเลสมันจะถูกฆ่าตายนั้นเองกิเลสมันก็จะหลอกให้เราออกจากทางจงกรมออกจากการนั่งสมาธิให้เราไปทํานู่นทานี่เป็นบุญไปทําบุญ คือแทนที่จะเรียนระดับชั้นมัธยมก็ให้ดึงเรากลับมาเรียนชั้นปถมการทำบุญก็เหมือนอยู่ชั้นปถมเราทำบุญเพื่อจะได้ขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมเข้าใจไหมทำบุญเมื่อเราไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินเราก็จะรักษาศีลได้ไปบวชได้ถ้ามีเงินเที่ยวเดี๋ยวมันก็อยากจะไปเที่ยวที่น่นที่นี่ไปซื้อไอ้นู่นไอ้นี่เงินทองเป็น เป็นอันตรายต่อผู้ที่ต้องการจะไปปฏิบัติธรรมเห็นอย่ามีเงินทองดีที่สุดไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นผู้ชายก็สบายผู้ชายก็บวชบวชก็ไม่ต้องมีเงินทองแต่สมัยนี้ก็เี่ยวนี้กลายเป็นมีต้องมีเงินทองใช่แล้วบางมัดบางแห่ง ส่วนใหญ่เดีย๋ยวนี้พระต้องมีเงินทองอันนี้เป็นการออกนอกลูกนก่นอกทองนอกทองนอกทางของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตรงต่อคำสอนคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินให้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเขาไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเดินจมกบมไม่ต้องเสียเงินนั่งสมาธิไม่ต้องใช้เงิน แต่ไม่รู้สมัยนี้เขาอ้างว่าต้องใช้เงินอย่างไรบ้างแต่พระพุทธเจ้าก็มีอนุญาตให้ให้มีให้ใช้เงินได้ในะกรณีจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาก็ต้องไปซื้อยามารับประทานอะไรทำนองนี้หรือบินทบาทขาดแคลนก็ซื้ออาหารมารับประทานถ้าบินทบาทได้ก็บินทบาต ถ้าบิณฑบาตแล้วมันไม่พอฉันก็ซื้อมาเสริมหรือถ้าจีวรขาดไม่มีใครถวายก็ซื้อจีวรมาใช้อันนี้ท่านก็อนุญาตในทำนองนี้แต่นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มต้องมีเงินมีทองถ้ามีเงินทองแล้วเดี๋ยวกิเลสมันจะมาหลอก ไปนู่นมานี่เห็ไหมเดี๋ยวนี้พาไปเดินทางกันวุ่นว่อนไปหมดบินกันว่อนไปหมดนะไปเผยแผ่ธรรมะไม่รู้เอาแล้วเอาธรรมะที่ไหนไปเผยแผ่ก็ไม่รู้บวชกันได้ไม่กี่พรรษาก็ไปแล้วอันนี้ก็เรื่องของเงินทองเป็นเรื่องที่จะชุดลากให้เราออกนอกลูกนอกทาง ที่พระเจ้าส่งได้สอนให้ปฏิบัติท่านถึงให้สละทำบุญทำทานให้หมดถ้าอยากจะไปบวชถ้าอยากจะไปหลุดพ้นจากความทุกข์จริงๆต้องปฏิบัติแบบนักบวชถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติแบบคารวะนี้มันไม่ได้สี่จุดมันก็ได้ 1, จุดหนึ่งจุดสองจุดทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ถ้าบวชเป็นพระนี้ทาเต็มที่เลย ทำได้แต่ตื่นจนหลับฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเป็นพระไม่ต้องมีภารกิจการงานยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบไม่ได้เพราะฉะสิ่งที่ไม่ควรจะมี สำหรับผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือเงินทองอย่าไปมีเงินทองจะได้ไม่มีอะไรมาหลอกมาล่อล่ะถ้ามีเงินทองเดี๋ยวก็อยากจะไปทำบุญที่น่นอยากจะไปทอดป้าป่าที่นี่หรืออยากจะไปอินเดียไปสังเวชนียสถานมันจะหลอกให้เราออกจากทาง ทางการเดินจงกรมนั่งสมาธิปีกวิเวกเนี่ยต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องปีกวิเวกต้องไปอยู่ที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิก่นดสผทธพะต่างๆที่ไหนมีรูปเสียงกลิก่นรสหยาไปถึงแม้ว่าจะเป็นบุญแต่มันเป็นบุญระดับต่ำผู้ที่ต้องการจะไป อยู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้อยู่ในระดับของบุญระดับสูงอย่ากลับลงไปทำบุญระดับต่ำมอนเดินถอยหลังอ่าใจไหมพวกที่ไปสังเวชนียสถานนี่เหมาะกับพวกที่ยังไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็เลยต้องไปดูที่พระพุทธเจ้าเกิด ดูที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้้ดูที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมขั้งแรกดูที่พระพุทธเจ้าตายจะได้รู้ว่าอ๋อมีพระพุทธเจ้าจริงๆนะไม่ได้เป็นนิยายนีถ้ามีพระพุทธเจ้าพระคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคำสอนที่เป็นคำจริงไม่ใช่เป็นการแต่งขึ้นมาเป็นคำสอนที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จริงคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่เชื่อว่าพระธรรมคำสอนเป็นคำสอนที่จริงหรือเปล่าไม่เชื่อว่ามีพระสงฆ์สาวกหรือเปล่าถ้าได้ไปที่สังเวชนียสถานทั้งสี่ก็จะทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาถ้าให้เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเชื่อว่าคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคาสอนของพระเจ้า ที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาการไปที่สังเวชนิยสถานนี่ก็จะเป็นประโยชน์แต่สาหรับพวกที่มีศรัทธาแล้วไปก็เท่านั้นนะไปก็ไปเที่ยวเพราะศรัทธามันก็มีอยู่แล้วมันไม่ได้ไปเพิ่มให้ศรัทธามีมากยิ่งขึ้นอะไร ยิ่งผู้ที่ออกบวชแล้วนี่ถือว่ามีศรัทธาเต็มที่ในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์แล้วถึงออกบวชกันถึงตั้งใจปฏิบัติกันงั้นพอเราบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องตั้งเป้าอยู่ที่การปฏิบัตอิอย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่การทําบุญออแต่าถ้าเรามีเงินเดี๋ยวกิเลสมันก็มาหลอกเรา เดี๋ยวไปทำบุญที่นั่นเดี๋ยวทำบุญที่นีเ่เวลาก็มาเสียกับการทำบุญไปแทนที่จะเวลาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิ <c oughs> ก็เลยไม่ได้นั่งหรือพอไปทาบุญเสร็จกลับมาจะเจริญสตินั่งสมาธิใจก็ฟุ้ง่ะใจมันออกไปข้างนอกมันเห็นนูน่นเห็นนี่มันคิดนูน่นคิดนี่เดี๋ยวมันก็เกิดอยากได้นูน่นอยากได้นี่เพราะกิเลสมันยังไม่ตาย นี่ก็คือการปฏิบัตินอกรูกนอกทางไม่ปฏิบัติตรงตัวปฏิบัติตรงต่อคำสอนนี่ต้องเข้าเดินเดินทางจงกรมต้องปีกวิเวกต้องไปข้างหน้าอย่าเดินถอยหลังเข้าใจ ไ, ไหมออทำบุญทาทานเราผ่านมาแล้วเงินทองเรามีเท่าไหร่เราให้ไปหมดแล้ว เ, ออเก็บไว้เท่าที่จำเป็นไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับปัจจัยสี่เท่านั้นเองแต่ไม่เอามาทำบุญแล้ว เงินทําบุญนี้ทําไปหมดแล้วบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาที่เรายังไม่ได้ยังไม่มีอันนี้เราต้องมาดูมาทําอันนี้กันศีลก็ต้องพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ถ้าไปที่นู่นที่นี่เดี๋ยวมันก็ศีลขาดได้ถือศีลแปดเดี๋ยวไปกินอาหารเลยเที่ยงวันก็ได้เดินทาง เดี๋ยวไม่มีเวลาจังหวะที่จะกินอาหารตามเวลามากินหลังเที่ยงวันไปแล้วศีลก็ขาดได้ฉะนั้นถ้าเราเราปฏิบัติเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในขั้นไหนของการปฏิบัติเราถึงจะเรียกว่าปฏิบัติตรงถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนเดีวก็ปฏิบัติขึ้นๆลงๆนอกรูนอ ก, ก, นอกทาง ฉันต้องรู้ว่าเราถ้าเราอยู่ขั้นปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นขั้นนักบวชแล้วเราก็ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทําบุญทําทานนะอย่างพระนี่พระเจ้าบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าปีบวชแล้วต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าปีไม่ให้ไปนู่นมานี่ไม่ให้อยู่ศึกษาให้อยู่ปฏิบัติในสำนักเลยไม่ให้ไป งาน น, งานนู่นงานนี้เพราะมันมีงานเยอะเดี๋ยวมีงานลําลึกถึงครูบาอาจารย์เดี๋ยวมีงานศพ เ, เดี๋ยวอาจารย์องนั้นตายองนี้ตายต้องไปช่วยงานนู้นงานนี้กันถ้าถ้าบวชใหม่ยังไม่ได้ห้าพรรษานี้ท่านไม่ให้ไปไหนให้อยู่วัดให้อยู่วัดปฏิบัติธรรมไปศึกษาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ปฏิบัติไป อันนี้ก็คือเรื่องปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นขั้นเป็นตอนอถ้ายังไม่มีศรัทธาก็ไปอินเดียได้ไปสังเวทได้ถ้ายังไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ก็ไปพิสูจน์ได้ไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็จะเห็นสถานที่เห็นอะไรต่างๆแล้วก็จะได้เกิดศรัทธาว่ามีพระพุทธเจ้า มาเกิดศรัทธาแล้วอยากจะปฏิบัติแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปพอมาปฏิบัติแล้วการปฏิบัตินี้ต้องเก็บตัวไม่ให้ออกไปข้างนอกใจต้องต้องดึงใจเข้าข้างในถึงจะสงบถ้าปล่อยให้ใจออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวมันก็เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาถ้าไปงานต่างๆเดี๋ยวก็มีกิเลสตัณหาให้ดู กิเลตัณหาก็จะเห็นต่า ง, างเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาเห็นคนหลอ่อเห็นคนสวยเดน๋ยวใจก็ร้อนขึ้นมานักบวชนี้ก็ถือศีลแปดขึ้นไปไม่ให้ยุ่งกับผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันก็อดที่จะเจอไม่ได้ถ้าไปงานต่างๆ งานบุญงานอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ต้องเจอเจอแล้วเดี๋ยวใจก็จะร้อนขึ้นมาดเดี๋ยวดีไม่ดีก็ต้องลาสิกขาไป oh. เพราะว่ามันคิดแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวคิดแต่เรื่องหญิงเรื่องชายกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไปก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยต้องยกธงขาวขอกลับไปเป็น พูดนักบุญก่อนตอนนี้ไม่ขอเป็นนักบวช น, นี่คือการปฏิบัติตรงเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนระดับนักบุญหรือระดับนักบวชถ้าเป็นระดับนักบุญไปได้บุญไหนไปได้เลยที่ไหนมีบุญมีงานที่ไหนงานบุญที่ไหนไปได้เลยเพราะเรายัาง เรายัางอยู่ในระดับนักบุญเคยกำลังหัดเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของเราอยู่ตัดความโลภความอยากในเงินทองใหมเก็บเงินไวส้สำหรับใช้กินใช้กินใช้อยู่ส่วนที่เหลือก็อไปทำบุญอย่าเอาไปเที่ยวกันอย่าเอาไปช้อปปิ้งกันอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันเอาไปทำบุญ ถ้าเราอยู่ในระดับนักบุญไปเลยอยากจะไปใส่บาตรที่ไหนอยากจะไปเปิดลงทานที่ไหนอยากจะไปสร้างกุฏิที่ไหนสร้างห้องน้าที่ไหนสร้างเมนที่ไหนสร้างโบสถ์ที่ไหนสร้างพระพุทธรูปที่ไหนทำได้เลยถ้าเราอยู่ในระดับนักบุญนะแต่ถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ระดับนักบวชเนี่ยเราต้องเลิกทำกิจกรรมของระดับนักบุญนะ มนคนละกิ จ, จกรรมกันมันขวางกันมันขัดกันอระดับนักบวชนี้ต้องการเก็บตัวต้องการดึงจิตเข้าข้างในระดับนักบวชนี้มันยังต้องออกไปข้างนอกต้องไปที่ต่างๆไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆอังนั้นถ้าถ้าอยากจะเป็นนักบวชก็ต้องทําบุญให้เสร็จก่อนมีเงินทองมากน้อยก็ทําให้มันหมดไปเลย <laughs> มันจะได้สำเร็จเข้าใจจะได้เรียนจบเรียนจบระดับนักบุญถ้ายังเก็บเงินถ้าเอาติดตัวไปแล้วไปเป็นนักบวชเดี๋ยวก็กลับมาเป็นนักบุญใหม่เดี๋ยวก็อยากจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่มันก็จะขึ้นขึ้ น, นลงลงมันต้องไปแบบไปวันเวไปทางเดียวอย่าไปสองทางเข้าใจทางนี้ต้องไปทางเดียววันเวไปแล้วไม่กลับ ไปแล้วไม่ถอยมีแต่คืบหน้าไปแต่ข้างหน้าไปเรื่อยๆระดับต้นก็คือระดับไม่มีศรัทธาก็ไปไปสวงบุญให้เกิดศรัทธาไปไปที่สังเวชนิยสถานพอเกิดศรัทธาแล้วก็เริ่มทําบุญละเชื่อคำสอนพระเจ้าทําบุญแล้วไปสวรรค์ทาบุญแล้วมีความสุขก็ทําบุญกันถ้ายังกลับมาเกิด วาอยากกลับมาเกิดร่ำรวยจากการทำบุญตอนนั้นอยากจะทำบุญทำไปเลยแต่ถ้าอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องขึ้ น, เ ป, นเป็นระดับนักบวชจากนักบุญก็ต้องเปลี่ยนเป็นระดับนักบวชก่อนจะเป็นนักบวชได้ก็ต้องทำบุญให้หมด มีเงินทองเท่ามีเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องทำให้หมดพวกที่เป็นนักบวชนี่เขาไม่มีเงินทองติดตัวค่าอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยการศรัทธาของผู้อื่นถ้าเป็นพระก็บินตาบาต อ, อยู่ตามป่าตามเขาก็มีอะไรนมดบแดดดบฝนได้ก็อยู่ไป อ, อยู่ตามเนินล่างก็ได้อยู่ตาม เงืมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามโคนไม้อะไรมาทำเป็นเพิงเอากิง่งเอาไม้เอาใบโมงใบ ไ, ไม้มาทำเป็นที่มุงที่บังก็ได้พออยู่ลบแดดตกฝนได้ที่ทำไมต้องไปอยู่ในป่านในเขาเพราะมันเป็นที่สงบวิเวกไม่มีอะไรมาลบกวนใจทำให้การเจริญสติการนั่งสมาธินี้มันง่าย ถ้าไปเป็นนักบวชไปเปริกเวิแลกวิเวกแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องงานบุญนะแม้แต่งานศพครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องไปคนมีคนอื่นไปช่วยกันเยอะแยะแล้วศพศพเดียวทำไมมีต้องมีคนเป็นพันไปช่วยกันมีสัปะละคนสองคนก็เผาได้แนละ้วงานศพก็คืองานเผาไม่ใช่หรือใช่ไหม งานเผาศพนะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในระดับนักบวชอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเราต้องตัดตัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไปให้หมดนะไม่นั้นแล้วเราจะไปไม่ถึงจะถูกหลอกให้ไปทำกิจอย่างอื่นงานบุญมันดีแต่มันไม่ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันเพียงจะทำให้เร า, เ, าเกิดในภพที่ดีหน่อย แต่มันยังทำให้เราต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังต้องทุกข์อยู่แต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับงานบุญต่างๆนี่ก็คือเรื่องการปฏิบัติตรงต่อคำสอน ถ้าเราปฏิบัติแล้วทีทนี้เราก็พุ่งไปที่การเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าหยุดไม่ได้นั่งสมาธิจิตจะไม่รวมจิตจะไม่เป็นหนึ่งจะไม่เป็นสมาธิจะไม่นิ่งจะไม่มีความสุขแล้วจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่มีความสุขเดี๋ยวกิเลสมันก็จะมาหลอกให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายแล้วมันจะ อยู่เป็นนักบวชต่อไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับไปขอไปเป็นนักบุญพอเป็นนักบุญก็ยังไปเที่ยวได้ยังไปมีแฟนได้แต่ถ้าเป็นนักบวชนี่มันมีไม่ได้เที่ยวไม่ได้ต้องหาความสุขจากการทาใจให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้าทาใจให้สงบไม่ได้แล้วอยู่เป็นนักบวชนี่จะอยู่แบบทรมานเหตุนันต้องพยายามขยนันพยายาม เพียรสร้างสติตั้งใจสร้างสติควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตให้ดึงไว้ในปัจจุบันให้รู้ว่าเรากําลังอยู่ในปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่อแต่ไม่ต้องคิดให้รู้เฉยๆว่างานที่เราทําไม่ต้องใช้ความคิดน งานของนักบวชนี้ไม่ต้องใช้ความคิดงานปัดกวาดงานเช็ดถูงานอะไรต่างๆนี้ให้มีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอย่าปล่อยให้คิดถ้าคิดก็ต้องใช้พุทโธดึงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธดึงกลับมาต้องพยายามต่อสู้กับความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่ง เป็นอบปนาสมาธิเป็นอุเบกขาเป็นความสุขอย่างยิ่งอย่ะพบก่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะทำให้อยู่เป็นนักบวชต่อไปได้ถ้าไม่มีสมาธิเดี๋ยวเผลอปล่อยให้ใจไปคิดหรือเผลอไปออกไปข้างนอกไปงานนุยงานนี่เข้าเดี๋ยวก็เกิดกิเลสขึ้นมาพอกิเลสเกิดขึ้นมาใจก็ร้อนขึ้นมา เดี๋ยร้อนมากๆก็ทนอยู่ไม่ไหวอต้องเปลี่ยนผ้าผ้ามันร้อนผ้าเหลืองมันร้อนต้องเปลี่ยนเป็นผ้าสีเขียวสีแดงถึงจะหายร้อนต้องเสกไปต้องกลับไปถือศีลห้าทานจะถือศีลแปดหรือศีลสองอยิบเจ็ก็ต้องกลับไปถือศีลห้ากลับไปเป็นนักบุญอแสดงว่าสอบตกเรียนไม่ขึ้นลดชั้นลงมาเอ แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพยายามฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเดี๋ยวก็จะทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขก็จะมีก็จะมีความสนุกกับการปฏิบัติพอได้สมาธิแล้วก็สามารถจเจริญปัญญาต่อได้ ปัญญานี้เป็นความรู้ที่เราต้องรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เราไม่อยากจะรู้กันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นความรู้ที่กิเลสมันไม่ชอบกิเลสไม่ชอบอะไรกิเลสมันไม่ชอบอสุภะมันไม่ชอบดูของไม่สวยไม่งามกิเลสมันไม่ชอบดูความแก่ดูความเจ็บ ด, ดูความตาย กลสมันชอบดูแต่ของสวยๆงามๆหนุ่มๆสาวๆแต่การที่เราไม่ดูความจริงมันก็ไม่เป็นปัญญาความจริงที่เราดูดูเพียงครึ่งเดียวความจริงที่เราเห็นกันที่เราชอบดูกันกน็คือชอบดูตอนหนุ่มตอนสาวตอนล่ำตอนรวยตอนสวยตอนหล่อแต่พอเวลาแก่นี้ไม่มีใครอยากจะคิดถึงมัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะมองไม่คิดถึงมันเวลาตายไม่อยากจะมองไม่ยามมองอวัยวะภายในร่างกายร่างกายของเรานี่มีอวัยวะต้องเยอะแยะมองไม่เห็นกันทั้งคนคเนี่ยทั้งร่างกายนี่มีอะไรบ้างรู้ป่อาการสาสิบสองเนี่ยมีปอดมีหัวใจมีตับมีลำไส้ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมไม่เคยนึกเลยใช่ไห นันะพอเห็นใครเห็นข้างนอกก็ไปหลงรักเขาแล้วไม่รู้ว่ากลังไปรักปอดเขาหัวใจเขาตับเขาลำไส้เขากระโหลกศีรษะเขาโครงกระดูกเขาเนี่มันอยู่ในตัวเขาทั้งหมดเนี่ยแต่มองไม่เห็นมีหนังมีเนื้อมันหุ้มห่อเอาไว้ปกปิดเอาไว้ก็ไปหลงไหลคลังคล้ายกับอของที่ไม่น่าดูแต่มองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าไม่น่าดู กลับไปคิดว่าน่าดูแต่ถ้าลองพิจารณาดูอาการสามสิบสองแล้วมันก็จะรู้ว่าโอ้ยร่างกายนี้มันมีอะไรที่ไม่น่าดูเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ถูกคุ้มห่อไว้ปกปิดไว้นั่นเองเหมือนกับมีกระเป๋าสวยๆแต่เอาอุจจละใส่เอาขยะใส่เข้าไปในกระเป๋ามองอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างในถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรข้างในก็ต้องเปิดดู พอเปิดดูถึงรู้ว่ากระเป๋านี้สวยไงก็ไม่เอาโยนทิ้งถ้ามีแต่ขยะมีแต่อุจจาระมีแต่ของสกปรกของไม่สวยไม่งามเนี่ยถ้าใจไม่สงบนี้กิเลสมันไม่มันจะไม่ยอมให้เราดูเราใครดูไหมเราใครคิดกันถึงอสุภะกันบ้างไหมไม่ยอมคิดกันหรอกพราะใจเราไม่สงบพอกิเลสมันจะคอยกันคอยกั้นไว้ คอยดึงให้เราไปคิดแต่เรื่องสวยๆงามๆใชมไหมดูหนังสือแตมีแต่หนังสือแฟชั่นหนังสือดาราหนังสือมีแต่ภาพสวยๆงามๆไม่มีหนังสือเอาภาพเอาสุภาพมาขายกันเนอะไม่มีขายไม่ออกเชื่อไหมเจ๊งถ้าลองเอาภาพอาสุภาษมาขายดูเลยไม่มีใครซื้อหรอกว่าไม่มีใครอยากดูเพราะถ้าใจไม่สงบนี้กิเลสมันครอบ ครอบครองจิตใจกิเลสมันจะไม่ชอบดูภาพที่ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูกิเลส ม, ม, มันไม่ชอบคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยทําให้เราลืมไปว่าอร่างกายของเรามันมีส่วนที่ไม่สวยไม่งามอยู่ร่างกายมันมีความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่นมันก็เลยง่อหลงลืมเอ ลืมไปว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายลืมไปว่าร่างกายของคนที่เรารักนี่มันเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยของไม่น่าดูอันนี้ถ้าเราอยากจะมีปัญญาเพื่อตัดกิเลสเราก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้จะดูสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีใจที่สงบว่าเวลาใจสงบนี้กิเลสมันถูกฉีดยาสลบไปมันทาอะไร ไม่ได้มันจะมาห้ามเราไม่ได้มันจะถ้าเรามีเกิเลสเวลาเราคิดถึงความตายใจเราจะหดหูมองอสุภาเราใจเราจะขยะขแยง ข, ขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วจะไม่มีอาการเหล่านี้จะทำให้เราดูได้นานๆคิดอยู่ได้นานๆเพื่อเราจะได้จดจำเพื่อเราจะได้ไม่ลืม เพราะว่าถ้าเราลืมมันเดี๋ยวก็กิเลสมันก็เอาไปกินอีกเดี๋ยวกิเลสมันก็จะหลอกให้เราคิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเดี๋ยวพอเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะกลัวเราก็จะทุกข์ขึ้นมาพราเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายเราคอยปฏิเสธมันอยู่ตลอดเวลาที่ให้เราพิจารณา ความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะก็เพื่อให้เรายอมรับกับความจริงเหล่านี้อย่าไปหนีมันอย่าไปปฏิเสธมันมันเป็นของจริงที่เราจะต้องเจอมันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยอสุภะนี่มีอยู่ในตัวเราอยู่ในร่างกายของคนทุกคนแต่เราไม่ยอมมองกันเราก็ไปหลงไหลรักกันรักว่า ร่างกายนี้สวยว่างามน่าดูน่ารักแต่ถ้าเราพิจารณาสุภาได้จนทั้งไม่ลืมต่อไปเราเห็นใครหล่อหรือสวยยังไงเราก็จะรู้ว่ามันก็เป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งของร่างกายส่วนใหญ่แล้วมันไม่น่าดูมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีโครงกระดูกมีมันสมอง ของเล่านี้มันน่าดูไหมลองไปเปิดหนังสือดูสิดูาสุภาษณ์อ่านี่สําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อต้องการตัดการมมาลคะตัดการมีความอยากในการเสพกามเพราะการอยากเสพกรรมนี้มันจะนําความทุกข์มาให้เวลาไม่ได้เสพเอเวลามีแฟนก็สุขใช่ไหมพอเวลาแฟนไม่มีก็ทุกข์ขึ้นมาเออ แล้วเราก็ไปมีแฟนตลอดไม่ได้หรอกมันจะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันพัดภาคจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายก็ยังต้องทุกข์กันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่ามีแฟนอยู่คนเดียวจะไม่มีแฟนได้ก็ต้องมองเห็นอสุภะเห็นว่าร่างกายของแฟนนี้ไม่น่ารักเลยไม่สวยงามเลยถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังนะ เหมือนภาพเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยพอมองทะลุเข้าไปก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูก็จะทำให้ไม่มีความอยากมีแฟนแล้วก็จะไม่รู้สึกเหงา ว, าว้าวเอความเหงาว้าเวเกิดจากความอยากมีแฟน เวลาคิดถ <confinement. S 1> like okay. ึงแฟนที่น่าดูก็อยากจะอยู่กับเขาอยู่ใกล้เขาล้วมีความสุขพออยู่ห่างเขาเราก็รู้สึกเหงาว้าวเวแต่ถ้ารู้ว่าคนที่เราว่าสวยมันไม่สวยอังที่เราคิดเนี่ยมันก็จะไม่อยากอยู่ใกล้เขามันก็จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวความเหงามันเกิดจากความอยากอยากมีแฟนแต่พอเราไม่มีความอยากมีแฟนเราอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกเหงา ยิ่งถ้าเรามีความสงบแล้วเรามีความสุขอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่มีใครมารบกวนใจอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเรื่องกันเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกอ น, นี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเราต้องการกำจัดความทุกข์เราต้องมีปัญญาเพื่อเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่นมันไม่ได้เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์มากกว่า มันทุกขเพราะว่ามันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดมันไม่มันไม่จีรังท้าวอมันเป็นความสุขประเดียวประดาวเดี๋ยวเวลาจากกันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสู้อย่ามีอะไรดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าพอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะตัดความอยากตัดกิเลสได้ ความพอเราตัดได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรอยู่คนเดียวไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาคอยให้ความสุขกับเราเรามีความสงบมาให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยถ้ามีอะไรปั๊บเราจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีทันทีใช่ไหพอมีแล้วก็ต้อง พอมีลราก็รักก็หวงหวงก็ทุกข์แล้วห่วงก็ทุกข์แล้วหึงก็ทกุกทุกข์แล้วเวลาจากกันก็ทุกข์แล้วเสียใจร้องห่มร้องไห้ท้าโศกเสียใจถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ถ้ามีแล้วต้องทุกข์เมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวเราไม่ทุกข์กับอะไรพอมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนพอมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูก พอมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติเพรามีอะไรต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีทุกอย่างที่เรามีนี่เราลักเราหวงไหมแล้วหวงไหมกังวลไหมเผลอลืมโทรศัพท์ไว้ที่ไหนนรู้สึก ใ, ใจหายวาบขึ้นมานะทุกข์ไหมนั่นแหละมีอะไรแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเพราะเราจะยึดจะติดมันจะไม่อยากให้มันจากเรา แล้วถ้าเกิดเราเผลอพั้งหรือมันเหตุสุดวิสัยมันต้องจากเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราไม่มีเราก็สบายใจไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลใช่ไหมนี่แหละจะไม่มีไรายได้ก็ต้องมีความสงบถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆ ก็เลยทำให้เราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆไม่ต้องมีบุคคลต่างๆอยู่แบบไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีการพัดพากจากอะไรจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้สงบแล้วก็ต้องมีปัญญาสอนใจเวลาใจอยากจะได้อะไรก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปเอาเอามาแล้วทุกข์ พอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่เอาอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าถ้าไม่มีปัญญานี้จะถึงแม้จะมีสมาธิพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไปเอามาพอไปเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องไม่พึ่งมันถ้ายังต้องพึ่งร่างกายก็ยังทุกข์อยู่ เพราะร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันแก่เราไม่อยากให้มันแก่เราก็ทุกข์พอมันเจ็บเราไม่อยากให้มันเจ็บเราก็ทุกข์พอมันตายเราไม่ใหอยากให้มันตายเราก็จะทุกข์ทำไมเราไม่อยากให้มันแก่ไม่เจ็บมันตายเพราะเรายังไปพึ่งมันอยู่ไงพึ่งเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะดูจะฟังได้ป่ะเราอยากดูอยากฟังอะไร ก็ต้องมีร่างกายต้องมีร่างกายที่แข็งแรงตาหูตาจมูกดีลิ้นดีถ้าลิ้นไม่ดีกินอาหารก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่อร่อยถ้ากินไม่ตาจมูกไม่ดีดมกลิ่นอะไรก็ไม่ได้กลิ่นนะเราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่จะสามารถตอบสนองความอยากของเราได้แต่ถ้าเราตัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกาย ถ้าเราตัดความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นลดผพทธะได้เราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีความสงบเราก็จะตัดความอยากได้ถ้าเรามีความสุขจากความสงบที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมีก็ไม่ได้มีก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมันจะแกะ่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหา พ่าไม่ต้องใช้มันแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วแต่ถ้าเรายังต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงร่างกายที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีกําลังวังชาอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้แต่พอมันแก่มันเจ็บนี่มันตายมันทําไม่ได้ร่างกายเราก็ต้องละละด้วยการ ไม่ไม่ใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งในการหาความสุขไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาใช้ความสงบเป็นเครื่องมือหาความสุขมาใช้สติมาใช้การเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขมีความสุขแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องดูไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องดูละครไม่ต้องไปกินเลี้ยงกินอาหาร กินขนมกินอะไรต่างๆดื่มเครื่องดื่มต่างๆใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายได้นี่คือสิ่งที่เราต้องตัดให้หมดต้องไม่พึ่งอะไรเลยพึ่งสิ่งเดียวคือสติปัญญาอสติจะทําให้ใจเราสงบปัญญาจะสอนให้เราตัดความอยากต่างๆ แล้วเราจะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความสงบถ้าเราตัดความอยากได้หมดความสงบที่เราได้ก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสุขที่ถาวรความสงบของสมาธิยังไม่ถาวรเวลาออกจากสมาธิมามันก็หายไปได้ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาความสงบมันก็จะหายไป แต่ถ้าเราตัดทำลายความอยากต่างๆให้เป็นหมดไปได้ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรเพราะจะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบนี้พอความสงบนี้ถาวรเราก็เรียกว่านิพานนิบานังปรามังสุขขังความสงบของนิพานนี้เป็นความสุขสมบูรณ์เต็มที่เต็มร้อยตลอดเวลาไม่มีวันหมด ความสงบของสมาธิยังมีวันหมดออมีมีเกิดมีดับไดเออ้เวลาเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิมาพอเ ก, เกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็หายไปดังนั้นถ้าเราทำลายความอยากได้ด้วยปัญญาต่อไปก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิความสงบของสมาธิที่ไม่ที่ไม่ถาวรก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรไป พามันสงบอย่างทาวอนแล้วก็เรียกว่นนานิพานแล้วก็เป็นความสุขที่สมบูรณ์บรมมาสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีความทุกข์มาสลับผัดเปลี่ยนความสุขจากสมาธิยังมีความทุกข์สลับผัดเปลี่ยนเวลาอยู่ในสมาธิก็สุขพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขนั้นหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะโผล่ขึ้นมา แต่ถ้าเราคอยกําจัดความอยากด้วยปัญญาสอนใจว่าทําไมเราต้องไม่ทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะพาให้เราต้องไปร้องขมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องหมดไปเดีให้เห็นอนะนิจจังไม่เที่ยง ในสิ่งต่างๆหรือเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่น่าดูน่าชมไม่สวยไม่งามถ้าอยากได้แฟนก็ต้องพยายามมองร่างกายของแฟนว่าเป็นอสุภะก็จะเลิอกอยากมีแฟนได้ น, นี้คือปัญญาที่จะทําลายความอยากแล้วสมาธิก็จะเป็นความสงบที่ถาวรเมื่อไม่มีความอยากมาทํำลายเ เมื่อไม่มีความอยากหลงเลย อ, อยู่ในใจใจก็จะสงบมีความสุขตลอดเวลางานก็จบไม่มีงานอะไรจะต้องทำอีกต่อไปไม่ต้องรักษาใจไม่ต้องดูแลจิตใจไม่ต้องเดินโยมคมไม่ต้องนั่งสมาธิใจมันจะสงบใจมันจะสุขไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเจออะไรจะเห็นอะไรใจมันจะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่เจอที่เห็นเพราะมันไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆอีกต่อไป เห็นก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นได้หรือไม่ได้ก็ไม่ไม่เดือดร้อนพราะมีสิ่งที่ดีกว่ า, าให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาจึงไม่จําเป็นจะต้องไปหาความสุขกับสิ่งต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ไ ม, ไม่ตื่นเต้นตกใจร่างกายจะโดนอุบัติเหตุจะตายด้วย เ, เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา ร่างกายในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเมื่อใจไม่ต้องพึ่งมาแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลไม่เดือดร้อนแต่ถ้ายังพึ่งอยู่นี่อะไรมาแตะมันหน่อยนี่กังวลแล้วไหมสิวขึ้นมาฝ้าขึ้นมานิดหน่อยนี่กังวลแล้วเม็ดเดียวเม็ดเล็กๆแค่นี้ก็ตกใจกลัวขึ้นมาละเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนื้องอกขึ้นมาหน่อยเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้ายัง ต้องพึ่งร่างกายอยู่พอมีอะไรมาแตะต้องร่างกายนิดหน่อยในใจใจนี่เสียละใจทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะเป็นยังไงก็ไม่เดือดร้อนขอให้เราสร้างความสงบขึ้นมาให้ได้ถ้ามีความสงบมีความสุขแล้วเราไม่ต้องใช้อะไรมาให้ความสุขกับเราเราเอา ความสงบที่เกิดจากสติแล้วก็เอาปัญญามารักษาความสงบด้วยการทำลายความอยากที่จะมาคอยทำลายความสงบนี้เท่านั้นเมื่อเราทำได้มีสติมีปัญญาแล้วปัญหาของเราก็จะหมดไปเราจะมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรถ้ามีแล้วมันจะทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดมีวันจากกันฉะนั้นอย่าไปมีอะไร ้าไม่มีไรายได้ก็ต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบต้องปฏิบัติให้เต็มร้อยเต็มที่เดินยมกลมนั่งสมาธิปีกวิเวกอย่าไปไหนแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญญามาคอยคุ้มครองรักษากรรมจัดภัยที่มาทำลายความสงบคือความอยากต่างๆพอหมดไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรใจจะสงบใจจะสุขไปตลอดเวลา ไม่แล้ก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายสร้างความสุขมีความสุขในตัวเองอ่นี่คือเป้าหมายของการที่เราจะต้องตั้งเป้าหมายคือการปฏิบัติถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตั้งตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติ ถ้ายัางไม่เชื่อว่ามีพระตัจเจ้าหรือเปล่าก็ไปอินเดียได้ถ้าเชื่อแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อแล้วก็ทําบุญถ้าทำบุญจนเงินหมดแล้วก็ไปบวชไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาพอได้สติได้สมาธิได้ปัญญาก็สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ สร้างความสุขที่สมบูรณ์ให้กับใจแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมีความตั้งใจนอกจากตั้งใจแล้วก็ต้องมีความขยนันต้องมีความแน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจตั้งใจแล้วอย่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนะเดี๋ยวมันก็เหมือนก็ไปไม่ถึงเหมือนตั้งใจจะไปกรุงเทพขับรถไปครึ่งทางเปลี่ยนใจไป เชียงใหม่ดีกว่าออย้ายที่เดี๋ยวไปครึ่งทางเปลี่ยนอีกแล้วอย่าเปลี่ยนถ้าตั้งใจแล้วอย่าเปลี่ยนต้องมีความแน่วแน่มีสัจจะอ่ต้องมีตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะแล้วก็มีความเพียรอเพียรแล้วถ้าเจะอุปสรรคก็ต้องมีความอดทนอา่าพอเจออุปสรรคยากหน่อยก็ยกธงขาวยอมแพ้ก็ไปไม่ถึง ต้องมีสี่อย่างมีความตั้งใจที่นี้แล้วก็มีความแน่วแน่ความจริงใจต่อความตั้งใจมีความเพียรมีความอดทนแล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่เราจะตั้งการสิ่งที่เราต้องการจะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ยันโทปันาระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสโตมาเตภวตุอันตารโยสุขีทิคายุโกภวะ อาพิวาทานสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังอันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กเข้ามา430ยูทูบ146 วิทยุ41แล้วก็อยู่ข้างบนนี้35คนรวมทั้งหมด652ครับ652อันนี้ใครอยากจะถามไหมยกเ อ, เอาไปเลย เออพอคนเราเสียชีวิตแล้ค่ะดวงจิตดวงถูกท้ายก็จะดับแล้วก็จะไปเกิดใหม่ไปจุดติใหม่ทันทีใช่ไหมคะจิตเราไม่ดับหรอกร <c oughs> ่างกายดับจิตเราไม่ดับค่ะ <c oughs> แล้วคไม่เกิดทันทีแล้ว <c oughs> ต้องไปรอต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อน <c oughs> ต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนค่ะ <c oughs> แล้วเวลาเราทําบุญให้กับผู้ร่วงลับอย่างนี้คะ่ะเขาได้รับไหมคะถ้าเขารอรับอยู่เขาก็ได้รับถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็ไม่ได้รับ แล้วระยะเวลาที่รอนี้คือสั้นหรือยาวคือแต่ละคนก็ไม่เข้ากันใช่ไมอ๋อมันไม่ได้อยู่สั้นหรือยาวอยู่ที่บุญหรือบาว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรไงพอตายปุ๊บนี้จิตเขาจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นเทวดาก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นอสุ ร, รกายก็เป็นนรกหรือเป็นพรหมแต่ผู้ที่จะรับบุญได้ก็พวกเปรตเท่า น, นั้นอย่างเดียวอย่อย่างเดียวยังอยู่ที่ใจเขาตอนนั้นเวลาตายปุ๊บนี่เขาเป็นอะไร ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะต้องมาขอรอรับบุญเพราะเขาไม่มีบุญในตัวเขาค่ะอย่างเราทําบุญให้พ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไปเกิดใหม่ก็โดยที่เราไปไปเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าม่รจะได้รับในกรณีเดียคือถ้าเขาไปเป็นเปรต น, น, นอนนแล้วก็ทําเผื่อไปทั้งเองถ้าไม่รับก็ไม่สูญหายเพราะมันก็จะ มันก็จะกลับมาหาเราหรือถ้าเราไม่อยากจะกลับมาหาเราเราก็อุทิศให้เปรตตัวอื่นไปก็ได้ออคือตอนตอน้นเราก็บอกข อ, อทิศบุญนี้ให้กับพ่อกับแม่ค่ะถ้าพ่อแม่ไม่รับก็ขอให้ผู้ที่ต้องการหยิบใครต้องการก็เอาไปได้ค่ะสรรพสัตต์ทั้งปวงค่ะแล้วก็มีสงสัยเรื่องเออ่พุทธประวัตินะคะ คือเหมือนถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าจะลงมาประสูติอะคะ่ะคือเหมือนพาพระอินทรท่านไปนมัสการใช่ป่ะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าจะต้องมีเหมือนดูว่าจะไปเกิดที่ไหนแล้วเป็นบุตรของใครเพื่อให้การลงมาเผยแพร่ศาสนานะคะ่ะมันสําเร็จอ่ะคะ่ะอันเนี้ยเป็นเหมือนเปิศณาธรรมหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่ท่านระลึกชาติได้อะคะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ก็ไม่ต้องรู้ก็รู้ว่าท่านตอนที่ท่านเป็นพระเวชสารดอนท่านทำบุญไว้มากพอท่านตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์บุญส่งไปพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังท่านก็จะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเอาความจริงดูความจริงดีกว่าไอ้ส่วนเรื่องไอ้ของที่มาผสมปรุงแต่งทีหลังนี่ไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะมีใครอยากจะถามอ่ะทางนี้ทางนี้เดี๋ยวส่งไมครโฟนกลับมาทางนี้การมาสักการหลวงพ่อค่ะหนูเป็นผู้เป็นปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งแล้วเราก็ได้รู้ว่าการฝึกจิตของเราเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเข้มแข็งมากๆจากสิ่งเร้ารอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเสียงก็ตามาทำให้หนูมีความรู้สึกว่าจิตแข็งขึ้นแต่ น, นิหนอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าจิตหลอกจิตกับจิตคิดปรุงแต่งนี้เหมือนกันไหมคะแล้วแตกตาก่างกันยังไงอ๋อจิตหรือการมโนขึ้นมาเองจิตคิดปรุงแต่งเนี่ยคิดได้สองแบบคิดหลอกเราก็ได้คิดคิดสอนเราให้ใเห็นความจริงก็ได้ อยู่ที่ว่าเราคิดแบบไหนส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้มาเรียนธรรมะไม่ได้มาฟังธรรมจิตเราก็จะคิดแบบหลอกหลอกให้เราไปรักคนนั้นรักคนนี้หลอกให้เราได้อยากให้เราอยากรวยอยากอะไรแต่พอเรามาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าบอกของมู้นี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นร่ลำรวย<ช>ก็ทุกข์เพรเดี๋ยวเงินหมดก็จนเดี๋ยวพอจนก็ทุกข์มีแฟนก็สุขพอแฟนทิ้งไปก็ทุกข์ งั่นความคิดแบบนี้มันถ้าไม่มีธรรมะมันก็จะหลอกเราว่าเป็นของดีรวยแล้วจะดีมีแฟนแล้วจะมีความสุขเนี mm ่ย hmm. อันนี้ก็เป็นความคิดที่หลอกเราเรียกว่าอาวิชาาวชาแต่พอเรามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมเราก็จะได้ยินเรื่องปัญญาเรื่องของความ mm hmm. จริงความจริงก็บอกพระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรดีหรอกในโลกนี้อย่างที่เบกกี้เทศให้ฟัง มีอย่างเดียวที่ดีก็คือความสงบดังนั้นนอกนั้นอย่าไปมีมันมีแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วทีท่ที่อาจารย์บอกว่าอาวิชชานี่คือแบบว่าพวกร่งทรงนี่ไปไปงั้นเลยใช่ไหมค ะ, ะไหนว่ามาใหม่พูดใกล้ๆหน่อยเลยที่อวิชชาที่อาจารย์บอกว่าเป็นอวิชชาะคะ่ะเป็นพวกประมาณร่างทรงอะไรประมาณใช่ไหมคะอวช่อวิชชาก็คือความโง่ของเรานะที่อยู่ในใจเราที่หลอกเราเนี่ยที่หลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นว่าราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ดีมจริงมันไม่ดีแต่เรามองไม่เห็นเราต้องาอาศัายคนที่มองเห็นคือพระพุทธเจ้ามาบอกเราแล้วก็ทริกในการปฏิบัติของเราไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละคนในการฝึกจิตฝึกสมาธิอะไรอย่างเนี้ยคะคือมันก็สมาธิก็เหมือนกันทุกคนศีลก็เหมือนกันทุกคนแต่วิธีปฏิบัติที่จะได้มันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ วิธีของแต่ละคนสมาธิวิธีจะทําให้ใจสงบมันมีต้องสี่สิบวิธีไงเราก็เลือกวิธีใดก็ได้บางคนก็ใช้พุทธโธบางคนก็ใช้ยุบหนอพองหนอ่อบางคนก็ใช้ลมหายใจเข้าออกมันก็มีหลายวิธีขอบคุณเจ้าค่ะแต่ถ้าอดอาหารแล้วโทสะขึ้นนะครับก็นั่นแหละก็ต้องแสดงว่าเราต้องรีบใช้สติหยุดมไนไงน เวลาเวลาเกิดโทสะเราก็ต้องหยุดมันด้วยคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพราะว่าเวลาเราหิวเนี่ยมันจะกดเหยียดดังนั้นเวลาอดอาหารอย่างหนึ่งที่คนจะทําก็คือไปอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่ใกล้คนอื่นเพราะจะอยู่ใกล้คนอื่นแล้วเดียวมันจะมาโหได้ง่ายคนที่มันบอกกับคนที่ไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ในปา่าให้เขาคนเดียวแล้วก็ จะได้ฝึกสติคอยควบคุมอารมณ์ได้ถ้าอยู่คนเดียวเราคอยพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆอารมณ์เสียจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เวลาหิวใครมา น, นึกถึงอสุภานึกถึงปฏิกูลของอาหารนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากนึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องนึกถึงอาหารที่ถ่ายออกมาอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานไปนึกถึงอาหารในจานแล้วน้ำลายไหล พอ น, นึกถึงอาเจียนนี่มันจะหายเลยมันจะไม่ไหลเลยมันจะไม่หิวเลยกรใจยไหมแล้วเรามันก็จะได้ไม่ง่วงนอนเพราะเราไม่กินแล้วมันจะตื่นมันจะขยันเดินจงกรมได้นานนั่งสมาธิก็ไม่ดับแล้วก็สามารถคิดทางปัญญาได้เนี่ยคิดถึงเรื่องอาหารนี่ก็เป็นปัญญาแล้ว ถ้าคิดว่ามันเป็นปฏิกูลต่อไปเราจะไม่หิวเรื่องอาหารทุกครั้งที่หิวก็คิดถึงปฏิกูลของอาหารต่อไปนี้เรื่องเรื่องคุมน้ำหนักนี่สบายมากไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสเสียเวลาอดอาหารทีละสามวันห้าวันเวลาหิวก็นึกถึงเวลาอาหารที่เป็นปฏิกูลมันก็ไม่อยากกินละถ้ามันหิวก็ดื่มน้าให้มันต้องการน้าก็ดื่มน้ำเข้าไปก็พอ เดี๋ยวไม่กี่วันเนะี่ยสิบวันนี่รับรองได้สิบกิโลนี่หายไปเนี่ยมีมีพวกที่มาบวชที่วันนี้ที่วันนี้ฉันเมื่อเดียวเวลามาบวชนี่เวลาศึกไปสามเดือนนี้ลดไปสิบกิโลนะยันก็ต้องต้องมีสติต้องมีปัญญาแล้วการอดอานานี้จะทำให้เราเไม่ง่วงนอนไม่ขี้เกียจเพราะเวลาฮิ เวลามันหิวมันเราต้องรีบภาวนาต้องรีบเจริญสติมันจะได้หายหิวถ้าเราปล่อยให้มันคิดถึงอาหารเดี๋ยวมันก็จะหิวถ้าเราคิดถึงปฏิกูลไม่ได้เราก็ต้องหยุดความคิดก่อนพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดไปนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปมีถามอีกไหมหรือไม่มีข้างหน้าก็ายาถามีเอาเอ า, เอาไมโครโฟนก่อนเอาไมโครโฟนก่อน ถ้าหิวเราต้องนั่งสมาธิก็คือเอาสมาธิไปข่มความหิวไว้ก่อนในตอนที่เรายังทำไม่ได้ใช่ไคะทำได้สองวิธีไงถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติใช้สมาธิไปก่อนหยุดความคิดก่อนอย่าปล่อยให้มันคิดถึงอาหารค่ะหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็ให้มันคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในซ่วมอเงี้ยมันจะหายหิวเลย รับรองได้ค่ะอขอบคุณมาค่ะเราทางบ้านเดี๋ยวเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลยวันนี้คำถามจากคุณสุรีกราบนมัสการพระอาจารย์ลูกชายได้คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่นเดียวกันคือยี่สิบสามปีและผู้หญิงได้มาอยู่พักค้างคืนกับทางเราโดยที่ผู้ปกครองฝ่ายหญิงไม่รู้ค่ะ ทางเราก็รักเหมือนลูกและก็ได้ถามทางน้องผู้หญิงแต่เขาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ครอบครัวแกรู้ผู้หญิงพ่อแกเสียตั้งแต่แกอายุสองขวบส่วนมันดาได้ไปมีสามีใหม่อย่างนี้ถือว่าทางเราจะบาปหรือเปล่าคะมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมนี่ยคือ การที่ใครจะอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันก็ควรจะทำให้ถูกประเพณีตั้งเองถ้ายังไม่สามารถทำได้ก็อย่าเพิ่ง อ, อยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยาอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนเหมือนมั่นกันไปก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากจะร่วมหัวจมท้ายอยู่ร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ควรที่จะทำให้ถูกประเพณีเพื่อจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นของกันละกัน ผู้อื่นเขาจะได้ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งเกี่ยวด้วยคำถามจากคุณบีนาคุณแม่มีกลุ่มออกกำลังกายและคุณแม่ได้ค่าวิทยากรจากการมีกลุ่มออกกำลังกายคุณแม่ได้นำเงินนี้มาใช้ในกลุ่ม เช่นพากลุ่มออกกำลังกายไปทานข้าวไปเที่ยวและเก็บสะสมไว้จนได้ประมาณ6กหมื่นบาทตอนนี้คุณแม่จะยกเลิกการออกกำลังกายจึงตั้งใจจะนำเงินที่สะสมนั้นมาทำบุญแต่ทางกลุ่มเพื่อนที่ออกกำลังกายบางคนบางส่วนไม่เห็นด้วยคุณแม่จึงอยากสอบถามหลวงพ่อว่าควรจะจัดการอย่างไรกับเงินนี้ดีขอบคุณคะ่ะ ถ้าเป็นเงินของเราเราก็ใช้ได้อย่างใช้ได้จะ ใ, ใช้แบบไหนก็ได้จะเอาไปเที่ยวก็ได้เอาไปกินข น, นมก็ได้เอาไปทําบุญก็ได้ก็เป็นเหมือนกับถ้าเป็นเงินของเรามันมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นเขาจะให้เสนอความเห็นก็รับฟังได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องทําตามความเห็นของเขานอกจากว่าเราเกรงใจเขาเรากลัวเขาจะโกรธ เ, เราเกลียดเราอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าพูดโดยตามปกติแล้วรายได้ที่เราได้มามันก็เป็นเงินของเราแล้วเราจะไปใช้อะไรนี่มันก็เป็นสิทธิของเราคนอื่นจะมาให้ความเห็นอย่างไรก็ให้ได้แต่เราจำเป็นจะต้องทำตามเขาหรือไม่ก็ไม่จำเป็นนอกจากว่าเราอยากจะรักษาน้าใจเขาก็อาจจะถนอมน้ำใจก็อาจจะทำตามที่เขาเสนอก็ได้ อันนี้แล้วแต่ความพอใจของเราคำถามจากคุณอรารยากราบเรียนถามว่าหากมีคนที่เขาเล่นการพนันและเงินที่เล่นได้เขาจะนำมาให้เราเก็บมาให้ใช้จ่ายโดยเขาไม่คิดขอคืนเลยค่ะ เราก็ไม่เคยนําเงินนี้มาใช้จ่ายอย่างที่เขาต้องการเลยนําซ้ํายังทํารายการฝากทุกๆครั้งไว้ด้วยแบบนี้เราจะบาปไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเงินที่เขาให้มาก็เป็นเป็นเงินเหมือนเป็นเงินที่เขาทําบุญไงเขาให้เรานี่ก็เป็นการทําบุญของเขา เ, ออเขาก็ได้บุญเพผงแต่วิธีหาเงินของเขานี่มันเสี่ยงต่อการไปทําบาปเพราะถ้าเกิดเขาขาดทุนหรือเงินหมด เขาอาจจะต้องไปขโมยเงินมาเล่นอย่างนี้แต่ถ้าเงินที่เขาได้มานี่เขาให้เรานี่มันเป็นเงินที่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราเหมือนกับพระเนี่ยถ้าเขาเอาเงินเล่นการพนันมาใส่บาตพระจะไปรู้หลือเป็นเงินมาจากการบินการเล่นการพนันก็ก็ถือว่าเป็นการทำบุญของเขาไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณนิพิตากราบเรียนพระอาจารย์ สิทธิ์มีน้องสาวแม้เขาจะทำบุญที่วัดกับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็อนุโมทนาและเขาจะไปร่วมถือศีลทาสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่แปลกใจที่เขายังเบียดเบียนมารดาคือแม่ของเรายังคงขอเงินท่านใช้มากมายทั้งที่ตัวเองก็ทำงานทำการแล้วรายได้พอสมควรแปลกใจมาก ที่เพียงแค่นี้ก็ยังทําไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกันแน่เรื่องการเจริญในศีลในธรรมเขาคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันมั้งเรื่องศีลก็คือเรื่องไม่ขโมยแต่การของเงินแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ขโมยเอาอาจจะติดนิสัยเคยของเงินแม่มาตั้งแต่เด็กอะไรขอแล้วขอทีไรแม่ก็ให้ทุกทีก็ขอของเขาต่อไปถ้าแม่ยินดีให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เพียงแต่ว่าเขายังไม่ สามารถควบคุมความโลภของเขาได้ถ้าเขาใช้ปัญญาหน่อยเขาอาจจะคิดว่าแม่แก่แล้วไม่น่าจะไปบรบกวนแม่เงินของแม่ควรให้แม่เก็บไว้ใช้ดีกว่าเราก็มีเงินของเราแล้วถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเราก็ไปหาหาทางอื่นดีกว่าแสดงว่าเขายังไม่เจญทางปัญญาคิดยังไม่เป็นคำถามนะครับ นมัส ก, การครับถ้าเราไปทําบุญแล้วมีคนฝากปัจจัยมาทําบุญด้วยเขาเหล่านั้นจะได้บุญหรือเปล่าครับและจะได้บุญแบบไหนครับก็ได้เหมือนกับมาทําเองอเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถมาทําได้เขาก็เลยอาศัยเรามาทําให้เราทําให้เขาเขาก็เลยไม่ได้บุญตรงที่ไม่ได้เดินทางมาทําบุญด้วยตนเองเท่านั้นเองแต่บุญที่ได้จากการเสียสละเงินทองนี้เขาก็ได้เต็มร้อยอื คำถามจากคุณสิริลูกฝึกสมาธิมาสักระยะหนึ่งแล้วช่วงนี้มีอาการคือเวลานอนหลับไปไม่รู้สึกถึงความสุขของการนอนหลับรู้สึกเหมือนว่ายังไม่หลับแต่ความจริงคือหลับไปต้องดูนาฬิกาจึงจะรู้ว่านอนไปกี่ชั่วโมงลูกไม่มีสติหรือว่าต้องทำอย่างไรต่อไปก็หลับไม่สนิทไง การหลับนี่ไม่สนิทมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันอาจจะมีความไม่ปกติทางร่างกายหรืออาจจะมีความวิตกกังวลลึกๆอยู่ภายในใจนะั้นมันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็รู้ไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันหรือว่าตอนนี้นานอย่างนี้ต่อไปมันอาจจะหมดไปก็ได้อาจจะเปลี่ยนก็ได้คาถามจากคุณต่อ เมื่อคืนได้ทราบข่าวดีเกี่ยวกับเด็ก13คนที่ติดอยู่ในถ้ำคนในเฟซเขาดีใจกันใหญ่ที่เจอตัวแล้วแต่ใจผมกลับนิ่งเฉยไม่รู้สึกดีใจอะไรเลยอาการเฉยเฉยนิ่งนิ่งแบบนี้ผิดปกติไหมครับไม่หรอกมันก็เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละคนที่สามารถมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆได้3าแบบ บางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจบางคนก็เฉยเฉยขึ้นอยู่กับว่าใจของแต่ละคนมีมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรบางคนชอบเหตุการณ์นั้นพอเหตุการณ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาก็สุกใจถ้าไปในทิศทางที่ไม่ดีเขาก็เสียใจคนที่ไม่ชอบ เหตุการณ์นั้นเวลาเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาก็ไม่เขาก็เสียใจเพราะเขาอยากจะให้ไปในทิศทางไม่ดีพอมันเป็นไปในทิศทางไม่ดีเขาก็ดีใจ kien. แล้วบางคนก็เฉยๆกับเหตุการณ์นั้นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ก็เฉยแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของใจของแต่ละคนที่จะมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณพรการสวดมนต์ไหว้พระ เราจำเป็นต้องจุดธูปไหมคะไม่จำเป็นหรอกออจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้คำถามจากคุณเสกกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเลิกกับแฟนได้หลายเดือนแล้วครับตอนนี้ชอบเผลอคิดถึงเขารู้นะครับว่าคิดถึงเขาแล้วเป็นทุกข์แต่อดคิดไม่ได้ถ้ารู้ว่ากำลังคิดแล้วเรากลับมาอยู่กับผมหายใจถูก แล้วถ้ารู้ว่ากำลังคิดแล้วเรากลับมาอยู่กับลมหายใจถูกหรือเปล่าครับอยู่กับลมหายใจแล้วจะทำอย่างไรต่อครับถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วหยุดคิดได้อยุดคิดถึงเขาได้ก็จบถ้ายังคิดถึงเขาอยู่ก็ลองคิดถึงอสุภะของเขาดูก็ได้คิดถึงอาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายของเขาก็อาจจะทำให้เราไม่อยากจะคิดถึงเขาก็ได้ ฉันคิดถึงโครงกระดูกของเขาถ้าคิดได้นึกถึงโครงกระดูกของเขานึกถึงอวัยวะตับไตไส้พุงต่างๆของเขาคำถามจากคุณวสันต์กราบเรียนพระอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ภิกษุยังควรออกทุดงไปตามป่าตามเขาเพื่อปฏิบัติภาวนาเหมือนสมัยครูบาอาจารย์หรือเปล่าครับ อ๋อการไปปีกวิเวกนี้เป็นเรื่องสําคัญของภิกษุทุกรูปเนี่ยนั้นการไปปีกวิเวกไปทุดงในป่าในเขานี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการบรรลุธรรมแต่สมัยนี้เราก็มีวัดป่าวัดเขาที่เป็นเหมือนที่ทุดงอยู่แล้วถ้ามีวัดป่าวัดเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติตามวัดป่าไว้เขาได้ก็เหมือนกับได้ไปทุดงเหมือนกัน การไปธุดดงก็เพื่อที่จะไปอยู่แบบสมสถะเรียบง่ายฉันมือเดียวฉันในบาทแล้วก็ปิกวิเวกอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆฉะการไปอยู่ในวัดป่าวัดเขานี่ก็ถือว่าได้ไปทุดดงในป่าในเขาแล้วคําถามจากครูแดงกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เมื่อเสียชีวิตแล้ว คงเหลือเพียงจิตที่จะไปเกิดเมื่อจิตได้ร่างกายที่จะเกิดแล้วทำไมจิตดวงเดิมถึงไม่สามารถจำเรื่องราวเก่าๆได้ครับก็เพราะความจำมันสั้นไงแล้วแม้แต่เมื่อวานนี้เรายังจำไม่ได้เลยลองถามตัวเองมาเช้านี้เมื่อวานนี้ตอนเช้ากินอะไรตอนกลางวันกินอะไรตอนเย็นกินอะไร มางทียังต้องนั่งนึกอยู่นานบางทีนึกไม่ออกหรือเมื่อวานนี้ไปทําอะไรมาบ้างพบกับใครมาบ้างเนี่ยยความจําเรามันไม่มันไม่ยาวไงมันสั้นแล้วพอเวลาเราตายไปนี่มันเหมือนเราเร า, เราไปนอนหลับยาวเลยกว่าจะได้นั่งกายอใหม่พอตื่นขึ้นมานี้เราลืมหมดละเหตุการณ์ต่างๆที่เราผ่านมาในชีวิตก่อนในชาติก่อนนอกจากพวกที่มีความจําดี พวกนี้มีความจำดีนี้เขาจะจำได้ก็ต้องเข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิแล้วเขาสามารถที่จะย้อนอนดีตได้ย้อนความคิดกลับไปได้คำถามจากคุณศิวพรกราบนรมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้ามีคนเคยช่วยสองพ้าป่ากับเรา แต่เราลืมเอาเงินนั้นไปร่วมกับคณะผ้าป่าชุดที่เขาฝากมาการที่เราเอาเงินนั้นไปทําบุญที่อื่นแทนจะบาปหรือว่าแทนกันได้ไหมคะก็ไม่บาปหลวงพิงแต่ว่ามันก็ทําให้อบุญทางนั้นเขาขาดไปผ้าป่าทางนั้นก็ขาดเงินไปก็ไม่ได้เป็นไปตามเจตนาของผู้ฝากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ เวลาใครเขาฝากเราทาอะไรเราต้องมีความมั่นใจว่าเราทำได้ถ้าไม่ทำไม่ได้ก็อย่าไปรับถ้าถ้ารับแล้วเราต้องพยายามบังคับตัวเราให้ทำตามที่เขามีเจตนาให้ได้เพื่อจะได้ป้องกันความความเสียหายคือในตัวเราด้วยเราอาจจะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือหรื อ, อเขาอาจจะคิดว่าเรายากักยอกเงินก็ได้ยิ่งนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปรับเงินของคนอื่นดีกว่า ถ้าเราไม่มีความมั่นใจที่จะสามารถทำตามที่เขาบอกได้วมดแล้วนะ mm hmm. การรับฝากของคนนี่มันบางทีเวลารับมันรับได้แต่เวลาไปทำนี่บางทีถึงเวลาแล้วมันอาจจะไม่สะดวกอาจจะไม่ได้ทำ mm hmm. แล้วเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ตามที่เขาต้องการเห็นทางที่ดีก็อย่าไปรับเงินของคนอื่นดีกว่า ให้เขาไปทำของเขาเองนะอันนี้ก็เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเกิดเราไม่สบายขึ้นมาไม่สามารถไปเอาเงินไปให้กับคนที่เขาฝากได้นะีอเราก็จะเงินของเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้ทำประโยชน์ตามที่เขาต้องการผู้ที่ต้องการรับเงินจากเขาก็ไม่ได้รับเงินจากเขา